พัฒนาการมาสุขที่สุขแย่งกันให้มีความสุขที่สุขด้วยกันมองออกไปอีกด้านหนึ่งแม้แต่ทํากลางกามาสุขที่ปลูกอยู่กับความเห็นแก่ตัวเมื่อมนุษย์มีธรรมะชุดพรหมวิหารมาแผ่ขยายจิตใจออกไปแล้วจิตใจของเขาก็จะเริ่มคลายออกจากความเห็นแก่ตัวนั้นเขาจะมีจิตใจที่ไม่แต่เพียงคิดอยากได้นวนได้นี และหาทางให้ได้เสพสมปรารถนาแล้วก็มีความสุขเอาสุขแ ต, ตแต่ตัวแต่ตอนนี้เขาไม่คิดแค่นั้นบางครั้งเขาคิดถึงความสุขของคนอื่นขึ้นมาบ้างและเขาจะมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกประเภทหนึ่งที่พอจะมาทวงมาดุลได้บ้างคือชันทะและความสุขเชิงสังคมนี้ที่ว่าเมื่อเห็นใครก็อยากให้เขามีหน้าตาดีมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขเป็นต้น ไม่ใช่เอาแค่ตัวแต่คิดจะให้คนอื่นเป็นสุขด้วยอย่างที่ว่าแล้วแค่อยากให้เขามีความสุขก็เป็นเมตตาก็คือไมตรีหรือมีความเป็นมิตรนั่นเองถ้าอยากให้เขาพ้นจากทุกข์ก็เป็นกรุณาถ้าปล่อยสุขด้วยเมื่อเขามีความสุขสำเร็จยิ่งขึ้นไปก็เรียกว่ามุทิตา และเมื่อเขาจะทำอะไรผิดพลาดเราอยากให้เขาอยู่ในความถูกต้องเป็นไปในทางที่ชอบทำเราก็วางใจอยู่ในอุบเบกขาที่จะรักษาธรรมะไว้พอมีสี่อย่างนี้จิตใจคนก็กว้างใหญ่แผ่ขยายออกไปสมอย่างที่เรียกว่าเป็นพรมแล้วคนก็มีความสุขเพิ่มขึ้นและที่สำคัญคือเป็นความสุขร่วมกันหรือสุขด้วยกัน ถ้าอยู่แค่ความสุขแบบการมสุขคือความสุขที่อาศัยอามิ t h วัตถุภายนอกก็แน่ชัดว่าจะเป็นความสุขแบบแย่งกันแย่งกันสุขจิงกันสุขถ้าฉันได้คุณก็เสียหรือฉันได้คุณอดคุณได้ฉันอดถ้าฉันสุขเขาก็ไม่ได้สุขหรือก็อาจจะทุกข์ไปเลยหรือถ้าเขาสุขฉันก็ไม่ได้สุขหรือฉันอาจจะได้รับความทุกข์ สรุป ก, ก็คือไม่ได้สุขร่วมกันแต่เป็นการแย่งกันสุขหรือสุขแบบแย่งกันอย่างที่พูดแล้วผลเสียที่สำคัญของการมาสุขหรือสามิสุขอยู่ตรงนี้และที่โลกเดือดร้อนมีปัญหาเบียดเบียนรบราฆ่าฝันกันนักก็เพราะแย่งการมาสุขกันนี่ลหละจึงต้องปฏิบัติจัดการกับมันให้ลดปัญหาและขยายประโยชน์พร้อมทั้งให้คนพัฒนาสูงขึ้นไป แต่ถ้าเป็นความสุขจากชุดพรมิหารเริ่มแต่เมตตาไปก็เป็นการร่วมกันสุขคือเป็นความสุขร่วมกันสุขด้วยกันอยากให้เขามีความสุขเมื่อเขาสุขสมใจเราแล้วเราก็สุขด้วยแม่ต้องการให้ลูกมีความสุขถ้าลูกยังไม่สุขแม่ก็สุขไม่ได้ต้องให้ลูกมีความสุขแม่จึงจะเป็นสุขได้ ลูกสุขได้แม่ก็สุขด้วยก็จึงสุขด้วยกันร่วมกันสุขอันนี้คือการพัฒนาความสุขขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเป็นความสุขเชิงสังคมก้าวจากความสุขแบบแย่งกันหรือสุขแบบตัวใครตัวมันแย่งกันสุขขึ้นมาเป็นความสุขแบบร่วมกันหรือสุขด้วยกันซึ่งเป็นการศึกษาและพัฒนาจริยธรรมอย่างสาคัญยวดยิ่ง จะช่วยให้โลกก้าวไปสู่สันติสุขได้อย่างมั่นใจเพราะเหตุฉนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นมากให้สร้างให้พัฒนาความสุขทางสังคมขึ้นมาให้ได้จึงเน้นและเกินเนเรื่องเมตตาเการุณามุทิตาอุเบกขาแต่ที่จริงไม่ใช่เท่านี้อันนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจให้มีคุณภาพถ้าจะให้เป็นผลจริง ก็ต้องออกสู่ปฏิบัติการด้วยสังหาวัตถุและสารณียธรรมด้วยในที่นี้แม้จะไม่พูดเรื่องการบริหารจัดการการมาสุขโดยตรงแต่เรื่องการมาสุขก็โยงเข้ามาในแง่ของการพัฒนาที่มาสัมพันธ์กับความสุขเชิงสังคมจึงต้องพูดบางเล็กน้อยตามที่จาเป็นหรือพาดพิงอิงกันดังที่กล่าวแล้วพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องการมสุข ว่าจะจัดการอย่างไรให้เป็นไปโดยถูกต้องชอบธรรมให้ไม่เสียหายอย่างน้อยก็ให้ลดทุกข์บรรเทาโทษลงมาและให้รู้จักใช้ในทางบวกให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดพระองค์ตรัสตามที่มันเป็นว่าการมมาสุขนั้นก็เป็นสุขแล้วก็ตรัสต่อไปตามหลักที่เคยบอกแล้วว่ากามนั้นมีอาศาะคือข้อดีมีอาทิโนวะว่า คือข้อเสียและมีนิสรณะคือทางออกที่แก้ไขหรือให้หลุดพ้นไปจากข้อบบุกร่องนั้นอย่างไรด้วยจะใช้เป็นคำไทยให้ง่ายขึ้นว่าอั ส, สาอาทินและนิสอนก็ได้จะเอานิสอนหรือนิสรณะของกามก็มาที่นี่หละคือมาพัฒนาความสุขที่สูงขึ้นไปเริ่มด้วยการพัฒนาความสุขทางสังคมนี่เอง ถึงจะยังเสพกามาสุขท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่นอกจากใช้สินห้าคุมยั้งกันไว้บ้างแล้วก็มาพัฒนาความสุขทางสังคมขึ้นไปก็จะช่วยให้ประดามนุษย์ไม่หมัววุ่นวายอยู่กับตัวเองมากเกินไปและไม่หมัวมุ่งแต่แข่งขันแย่งชิงกันแต่จะมีการช่วยเหลือร่วมมือกันมากขึ้นขณะที่ตัวเองก็มีความสุขเพิ่มขึ้นมาอีกด้านหนึ่งที่ยังยืนกว่ากามาสุขด้วย บางทีคนไม่รู้ตัวว่าการหาความสุขให้กับตัวเองที่มัวแต่เห็นแก่ความสุขของตนนั้นไปไปมาๆมาโดยไม่รู้ตัวมันทำให้กลายเป็นคนที่ทุกข์ง่ายและเมื่อทุกข์ได้ง่ายก็มีความโน้มเอียงที่จะมีทุกข์มากขึ้นเรื่องเป็นอย่างไรอันไปดูด้านความสุขแบบร่วมกันสุขนั้นเริ่มจากเราเห็นคนทั้งหลายอยู่ดีมีความสุข เราก็มีความสุขไปด้วยนี่คือเมตตาทีนี้ต่อไปก็คือการุณาที่ว่าเราอยากเห็นเขาพ้นจากทุกข์หายป่วยหายไขย้และพอเขาหายได้จริงมีร่างกายแข็งแรงดีเราก็มีความสุขแต่ข้อการุณานี้ไม่ใช่ให้ผลแค่นั้นยังมีผลดีมากกว่านั้นอีก แม้แต่ว่าเราเจ็บไข้ยอยู่หรือว่าเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้มีความทุกข์ทรมานเหลือเกินทีนี้ถ้าเราหมัวแต่ใส่ใจเรื่องตัวเองนึกถึงตัวเองว่าทำไมฉันจึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมฉันถึงต้องเป็นอย่างนี้นนนนก็ทุกข์แย่เลยบางคนหนักกว่านั้นอีกคิดว่าโรคนี้ใครจะเป็นก็เป็นไปทาไมจะต้องเป็นกับเราด้วย คิดอย่างนี้ก็มีแต่จะต้องทุกข์แล้วก็ทุกข์มากเกินกว่าธรรมดาด้วยทีนี้ถ้ามีกรุณาพอเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่กุ่นคิดอยู่แค่ตัวเองแต่จะมองกว้างออกไปถึงเพื่อนมนุษย์ก็คิดถึงคนอื่นๆว่าเออนี่เราเจ็บไข้เป็นโรคนี้ขนาดนี้ยังมีทุกขเวทนาและยากลาบากอย่างนี้แลวคนในโลกนี้ แม้แต่ในเมืองไทยเรานี้ที่ยากจนค้นแค้นระญาติขาดมิตรไม่มีเงินซื้อยาไม่มีคนดูแลเขาจะเป็นอย่างไรเราเจ็บป่วยอย่างนี้ก็จริงแต่ยังมีญาติมิตรดูแลยังมีคนพาไปหาคุณหมอหรือบางทีคุณหมอก็มารักษาให้อย่างน้อยก็ยังมีที่อยู่ที่กินที่นอนแล้วคนที่ป่วยอย่างเนี้ยแถมไม่มีที่อยู่ที่กินที่นอนจะทุกข์ยากลาบากแค่ไหน พอนึกขึ้นมาอย่างนี้โรคที่เจ็บป่วยของตัวเองก็กลายเป็นเบาเลยบางทีหมดความหมายหรือแทบไม่รู้สึกอะไรเลยความเจ็บป่วยของเรานี้ไม่สําคัญอะไรเลยพอคิดด้วยกรุณาต่อไปอีกชั้นหนึ่งความเจ็บป่วยของเรากลับเป็นเครื่องเตือนใจให้นึกว่าเออถ้าเราไม่ป่วยอย่างนี้เราก็คงลืมนึกไปเลย ถึงคนในโลกที่ยังมีทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้ตอนนี้เรานึกขึ้นมาได้แล้วเราจะไปช่วยคนเหล่านั้นอย่างไรดีนี่ก็คือว่าความเจ็บป่วยของเรานี้กลับมาเป็นสัญญาณเตือนว่าเราจะต้องเร่งหาทางไปช่วยเพื่อนมนุษย์เหล่านั้นซึ่งมีอยู่มากมายที่ขัดสนค้นแค้นทุกยากลำเค็นไร้ญาติขาดมิตรขาดคนดูแลเอาใจใส่ เราจะต้องไปช่วยคนเหล่านั้นให้พ้นทุกข์รวมแล้วก็กลายเป็นว่าโรคนั้นมากระตุ้นเราการุณานอกจากมองออกไปที่จะหาทางช่วยคนอื่นแล้วก็กลายเป็นว่าทำให้ทุกข์ของตนเองลดน้อยลงไปหรือบางทีก็เลยไม่ทุกข์แต่ความเจ็บไข้นั้นแทบหมดความหมายไปเลยจะเห็นว่า คุณธรรมเหล่านี้สำคัญมากไม่ใช่แค่นามธรรมที่นอนอยู่เฉยๆในจิตใจแต่ส่งผลกว้างไกลยอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นการพัฒนามนุษย์และแน่นอนว่าจุดสำคัญตัวตั้งต้นที่ว่าเป็นมูลก็คือฉันทะซึ่งในที่นี้ได้เน้นการพัฒนาฉันทะในเชิงสังคมและก็เพียงแต่ยกตัวอย่างมาเน้นให้ฟังว่า มันเป็นเรื่องที่จะต้องเอาใจใส่กันให้จริงจังตอนนี้ก็เป็นอันได้พูดถึงว่าการมาสุขที่อาศัยอาม i t h ที่เสพที่ได้ที่เอาเพื่อตัวซึ่งมีทางก่อทุกข์ภัยได้หนักหนานั้นนอกจากต้องบริหารจัดการให้ดีแล้วต้องให้ประสานไปด้วยกันกับการพัฒนาตัวคนให้เขาเกิดมีความสุขทางสังคมโดยส่งเสริมชันทะที่เป็นไปต่อเพื่อนมนุษย์ ทางเมตตาการุณามุติตาอุเบกขาที่จะทำให้เขามีความสุขร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์เราไปกระตุ้นเราให้มนุษย์ทำความดีช่วยเหลือกันต่างๆอย่างน้อยก็จะมาช่วยดุลทำให้ปัญหาจักรามสุขเบาบางลงไป